เข้าพรรษาใกล้จะสิ้นสุด่ะสาหรับหลายคนนี่เป็นการเข้าพรรษาครั้งแรกของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นคาราวา่าก็อาจจะเป็นการจำพรรษาครั้งเดียวในชีวิตก็ได้นะไม่ใช่แค่ครั้งแรกเท่านั้ น, นแต่จะเป็นครั้งเดียวก็ว่า พนจากพรรษานี้ไปก็อาจจะไม่มีโอกาสมาจอมพรรษ า, าอีกอาจเป็นเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้บวชยาวๆหรือไม่มีโอกาสที่จะลา ง, งานลาครอบครัวลาพ่อลาแม่มาทำรรษายาวๆได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ตระหนักว่านี่เป็นเวลาที่สําคัญะของชีวิต เร า, า จ, จะไม่มีโอกาสมาจำภาษาแบบนี้อีกในปีต่อๆไปเพราะอะไรๆก็ไม่แน่ในเมื่อเป็นภาษาเดียวที่เราอาจจะมีในชีวิตนี้ก็ขอให้ใช้เวลาตลอดภาษานี้ให้มีคุณค่ามากๆม่นอาจจะกลายเป็น ช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้เลทีเดียวเพราะว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเวลาเก้าสิบวันมันก็มากพอนะที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้แล้วพอใจมันเปลี่ยนแลน้วในชีวิตมันก็เปลี่ยนไปด้วยถึงแม้ว่าอะไรๆยังเหมือนเดิมงานการก็ยังเหมือนเดิม อาชีพก็ยังเหมือนเดิมบ้านก็บ้านเดิมแต่ว่าชีวิตมันก็เปลี่ยนได้นะเพราะว่าใจ เ, เ, เปลี่ยนเพราะฉะนั้ น, นเมื่อมาจำพรรษานี่ก็จะถือว่ามันเป็นเพียงแค่นะการทำตามประเพณีแต่ให้ใช้เวลานี้เนี่ยสำหรับการฝึกฝนตนอย่าง เ, งเต็มที่ เเพราะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับตัวเองให้การฝึกตนให้รู้จักอยู่กับตัวเองได้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราจะว่าไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหวังจากการจำภาษาหรือเป็นสิ่งที่เราควรจะตั้งใจปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างที่ว่าอยู่กับตัวเองให้เป็นเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานี่เราแทบจะไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยอยู่กับงานกับการอยู่กับเพื่อนอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสิ่งปนเปลอที่เระว่าการมาสุกและตอนหลังก็อยู่กับ โทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียน้อยนักน้อที่เราจะได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองและเป็นเพราะเราไม่ค่อยนึกโอกาสที่ได้อยู่กับตัวเองเราจึงอยู่กับตัวเองไม่เป็นพอเราอยู่กับตัวเองไม่เป็นเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายทุรนทุรายเลยทีเดียวเพราะว่า สภาพแวดล้อมหรือวิถีชีวิตที่นี่นี่มันจะว่าไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเอื้อให้เราจะทำอย่างที่เคยทำทำไม่ที่เคยทําคืออะไรนะก็คือการหนีตัวเองทุกวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็หนีตัวเองฝ้า ก, ก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองหรืออาจจะบอกกับตัวเองว่าเนี่ยฉันรักตัวเอง แต่จริงๆก็ไม่ได้รักเกินเท่าไหร่เพราะถ้ารักตัวเองมันก็ตองยินดีพอใจที่อยู่กับตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คิดแต่จะหนีตัวเองไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปอยู่กับกวนไปอยู่กับแก๊งไปอยู่กับเพื่อนหรือพวกไปอยู่กับสิ่งเสพรูปลดกลิ่นเสียงที่น่าพึงพอใจ แล้วพอมาบวชหรือพอมาอยู่วัดไอ้สิ่งเสพสิ่งเล้าแม้จะยังมีอยู่แต่ก็ น, น้อยลงถึงเวลาที่จะต้องมาอยู่กับตัวเองก็เลยอยู่อย่างลำบากเพราะอะไรนะเพราะว่าความคิดมันรบกวนความคิดสารพัดสารเพนี่มันทั่งครวงมารบกวน จิตใจใจนอยู่ไม่สุขคนโบราณว่าเนี่ยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเนี่ยอันนี้มันจริงเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูระหว่างที่เรามาจำรรษาที่นี่ความคิดที่มันโผลมาอย่างควบคุมไม่ได้คุยเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะ น่ายินดีหรือไม่น่ายินดีขุดคุยเรื่องราวที่น่ายินดีเช่นความสนุกสนานความเพลิดเพลินวันวานอันหวา น, วา น, วานชื่นนะมันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะพอนึกถึงแล้วนี่มันก็เสียใจอาลัยเพราะว่าวันวันวา น, ว น, วนอย่างนั้นมันไม่มีแล้วในเวลานี้เกิดความอาลัยอาวรณ์ นี่ก็ทุกแบบหนึง่งบางคนคิดถึงแฟนคิดถึงความสุขที่เคยมีด้วยกันโอ้ mm hmm. พอมันอะไรอไวอร์นี่มันบางทีนั่งไม่ติดอยู่ไม่ได้เลยนะมันต้องพยายามที่จะหาทางทาอะไรก็ได้เพื่อที่จะลืมเรื่องราวลืมความคิดเหล่านะี้นี่ขนาดวันหนะวานวหวานชื่นนะถ้าวันคืน น, นคืนโคมเนี่ยมันยิ่งทำร้ายจิตใจแค่ไหน คิดถึงความสูญเสียคนรักของรักคิดถึงความผิดพลาดในอดีตคิดถึงการถูกคนทำร้ายต่อว่าด่าทอทรยศถักหลังก็ยิ่งเกิดความขับแค้นยังไม่ได้ถึงเรื่องไปคิดถึงสิ่งปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคต ที่ทำให้วิตกกังวลหนักอกหนักใจกับปัญหาที่มันรอคอยอยู่ไม่รู้เป็นคอยอยู่จริงก็ว่าแต่ก็คิดเอาไว้ในทางรบทางร้ายไอ้พวกเนี่ยความคิดเหล่านี้มันมาลุมาตุ้มเนี่ยจนทำให้หลายคนเนี่ยกลัวมากนะกับการอยู่คนเดียวหรือการอยู่กับตัวเองก็ต้องพยายามนะ ทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะต้องเพื่อได้ไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้อันนี้ ว, วันนี้ตัวเองไปเที่ยวไปคุกขีตีโมงกับเพื่อนไปที่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่ที่ที่อยู่ในปัจจุบันในการที่คนเราต้องอยู่คนเดียวอยู่ประจำที่เนี่ยนานๆนี่มัน มันทรมานนะทั้งที่มีช่องทางในการหนีตัวเองได้ไม่น้อยนะเช่นโทรศัพท์มือถือเกมออนไลน์แต่คนก็ยังทนไม่ได้อยู่นั่นเองอย่างช่วงที่ล็อกดาวน์เป็นเดือนๆ เ, เป็นปีๆในช่วงโควิดนี่ คนนี้ทุกทรมานมากไม่ใช่เพราะป่วยนะที่ไม่ป่วยทั้งที่มีกินมีใช้แต่ก็ยังทรมานเพราะว่ามันไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปเที่ยวห้างก็ไม่ได้ไปเจอเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาก็ไม่ได้สถานการมันทำให้ต้องอยู่กับตัวเองขนาดมีโทรศัพท์มือถือมีหนังให้ดูมันก็ยังรู้สึก ทุกทรมานมากเพราะว่าความเบื่อความจำเจอันนี้ก็เป็นอีกอีกอารมณ์หนึ่งนะที่ทำให้คนเนี่ยทนอยู่กับตัวเองได้ยากมันต้องหนีจากตัวเองวันนั้นเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ที่วัดถ้าว่าไม่รู้จักนะ การฝึกจิตไม่รู้จักการเจริญสติเนี่ยมันก็จะทุกสทรมาร์เพราะความคิดมากแต่ท่านจะมาเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะมันก็เบือ่อหลายคนก็เลยพยายามหนีตัวเองหนีการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ต้องระวังคนที่มาจําบรรษาไม่ว่าจะเป็นพระชีโยกกิเลสที่มันพยายามผลักดันให้หนี จากตัวเองหนีจากการปฏิบัติทำยังไงนะฮะก็ไปตั้งวงคุยกันหรือไม่ก็หางานทำหลายคนเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยชอบทำงานนะแต่พอมาปฏิบัติทำมันเจริญสติลำนานี่มันอยากจะทำงานมากเลยคิดคนหา เหตุหาเรื่องทำงานกวาดใบไม้ซักผ้าสารพัดทั้งหมดนี้ไม่ใช่บกคา ย, ยันนะแต่ว่าเพราะมันทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เราก็ต้องรู้ทันนะแล้วก็อย่าคิดแต่จะหนีตัวเองเพราะว่าถ้าเราหนีตัวเองเพราะเหตุที่ทนความคิดที่มัน พุ่งพลาดในใจไม่ได้เนี่ยต่อไปเราก็จะต้องหนีตัวเองอยู่ไม่จบไม่สิน้นแล้วคนเราเนี่ยมันยังไงก็หนีตัวเองไม่พนน้นเพราะว่าสถ้าเราก็ต้องอยู่คนเดียวเวลาเจ็บป่วยเราก็ต้องอยู่กับตัวเองในห้องบางคนหนักกว่านั้นคือติดเตียง กลายเป็นความทรมานไม่ใช่เพราะทรมานไม่ใช่เพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่เพราะ ท, าที่ทนกับความคิดที่มันพุ่งพลานขุมไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักฝึกนะฝึกจิตให้เป็นเ ต, ตืินสติสม่ำเสมอไอ้ความคิดพวกนี้มันก็จะทำอะไรจิตใจเราไม่ได้ แต่การที่เราจะมีสติรู้ทันความคิดไม่ป่อให้ความคิดมาเป็นนายเราเราต้องรู้จักให้เวลากับตัวเองมีเวลาอยู่กับตัวเองแม้มันจะลาบากยังไรมันจะทำได้ยากแค่ไหนว่อถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นสุดท้ายเราก็จะรักตัวเองและเราก็จะมีสันติกับตัวเอง ไม่รู้สึกแย่กับตัวเองไม่กลนดาหรือไม่โบยตีตัวเองในยามที่ผิดพลาดและสามารถที่จะมีเพื่อนที่สำคัญนะคือใจนะมีใจเป็นมิตรไม่มีมิตรที่ประเสริฐถ้ากับใจที่ฝึกไว้ดีแล้วมีใจเป็นมิตรมีจิตเป็นเพื่อน แล้วความคิดที่มันเคยทิ่มแทงจิตใจเรานะ่มันจะกลายเป็นบริษัทบริวารที่อยู่ในอำนาจของเราเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่เป็นคุณไม่ใช่ให้มันมาใช้เราจนเกิดโทษเกิดทุกข์สังเกตใจยยร้อยดีนะ ว่ามันจะหาเหตุหนีตัวเองบ่อยเพียงใดหาเหตุหาข้ออ้างในการหนีการปฏิบัติและสุดท้ายเนี่ยนะบางทีมันจะหาข้ออ้างในการหนีพรรษานะในนี้การหนีเลือดออกจากวัดไปเลยมันจะมีข้ออ้าง อาจจะเป็นเพราะว่าการปฏิบัติมันลาบากอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตที่ไม่เคยสะดวกสบายอาหารไม่ถูกปากไม่มีสิ่งเพลิดเพลินความบันเทิงที่เคยคุ้นหรืออาจจะเป็นเพราะมีการกระทบกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกับคนนั่นคนนี้ คนเราเนี่ยมันถ้าหาว่าอยู่กับตัวไม่เป็นคอยหนีตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายพอมีปัญหามันก็คิดแต่จะหนีปัญหาก็คิดว่าเหตุแห่งปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่นอกตัวนี่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักใคร่กลวนมองตนอย่างลึกซึ้งเมื่อคร่คอยมองตนก็จะพบว่าจริงๆแล้วนี่ ปัญหามันไม่ได้แก้ด้วยการหนีแต่ปัญหามันแก้ได้ด้วยการเผชิญแล้วจริงๆเหตุแห่งปัญหาไม่อยู่ที่ใจเรานี่แหละอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยสมุชัยแห่งความทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อยู่ในใจเราเนี่นแหละแต่เป็นเพราะเรามไม่เห็นเพราะเราไม่เคยคิดที่จะมองเตืองอย่างแท้จริง พราอเราคิดแต่จะหนีตัวเองหนีการปฏิบัติสุดท้ายก็หนีปัญหาหนีพรรษาแห่พรรษาไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวะารื่นี้เนี่ยก็ถึงมีการอธิษฐานพรรษา เ, เพราะว่าคนเนนไม่น้อยเนี่ยพอมันมีปัญหา้วคิดแต่จะหนีท่าเดียว คนไม่ได้ก็ไม่ไหวแทนที่จะประเชิญกับมันเอาปัญหามาเป็นเครื่องฝึกให้เกิดปัญญาเอาปัญหามาเป็นเครื่องฝึกให้เห็นใจของตัวมาฝึกสติจากการได้เจอปัญหาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นคนวิถีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมเหมือนกับกระาดาษทรายนะที่มันจำเป็นนะที่จะช่วยขัดให้ ไม้นี่มันสวยงามน่าใช้เรียงเกลาชีวิตคนเรานะถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งที่ไม่ถูกใจมามาเป็นเครื่องฝึกฝนกนะ็ไม่เติบโตนี่สิ่งที่ท้าทายนะสหรับการอยู่ จำภาษาเนี่ยนอกจากการที่จะต้องทนอยู่กับตัวให้ได้จัวเท่าเป็นนี่กับตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการรู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเวลาเราอยู่บ้านเราจะอยู่คนเดียวอาจจะอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยคนที่รักเราแล้วก็มีกี่คนด้วยแต่อยู่ที่นี่มันอยู่กันหลายสิบชีวิต เฉพาะพลาดนี่ก็สามสิบพลาดเาไปแล้วแม่ชีก็สิบพลาโยมอีกนะสิบที่สิบคนอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะคนโบราณนี่เขาไม่ได้พูดแต่เพียงว่าอยู่คนเดียให้ระวังความคิดแต่เขาจะบอกว่าอยู่กัมิตรให้ระวังวาจาสําคัญมากเลยนะอยู่กัมิตรให้ระวังวาจานะการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นเนี่ย สิ่งสำคัญเบื้องต้นเนคือวาจาถ้าเราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยต้องใส่ใจกับเรื่องวาจาให้มากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่มีเรื่องอะไรไม่ถูกใจมีไม่พอใจใครก็ก็ใช้ปากนี่แหละนินทา การอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือการที่มีการดินทากันนั้นสิ่งนั่นสิ่งที่ต้องฝึกก็คือว่าฝึกฝึกให้เรามีปากที่หนักฝึกให้เรามีปากที่หนักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบาคนเราเนี่ยมีความสุขความสุขอย่างหนึ่งคนเราคือการดินทา ก็เป็นการระบายความโกรธเวลาเรานินทาเราไม่ได้นินทาใครเรานินทาคนที่เราไม่ชอบนินทาคนที่เราโกรดนินทาคนที่เราเกลียดซึ่งมันก็ทําให้มีความสุขมีความพอใจหรือมีความสาะใจมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่เป็นความสุขที่เราพึงนดีพึงเรื่องแต่มันก็มีแรงจูงใจหรือสิ่งยั่วยวนให้เราอยากจะนินทาก็ต้องรู้จัก หักห้ามใจนะแต่ว่าใจาจะยังหักห้ามไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ป่านี่ก็ต้องหนักไว้ก่อนไม่ชอบใครก็คุมวาจางตัวให้ดีให้ระลึกว่าเนี่ยเวลาเรามีความสะใจในการนินทาว่ารารใครเนึ่งสุดท้ายมันก็ามาสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเราสร้างกรรมอย่างหัก อันนี้เราอาจจะคุมวาจาได้เพราะเราปากหนักนะเราไม่ว่าไม่บน่นไม่นินทาแต่บางทีมันก็จะมีเสียงนินทาเข้าหูเหราไม่ได้นินทาใครถ้านินทาคนอื่นเราก็พลอยยินดีที่ได้ฟังรู้สึกเมามันไปด้วยแต่พอถึงเวลาถูกเขานินทาบ้างก็จะโมโหหรือว่าอ ไปหลงเชื่อว่าคนนั้นคนนี้เขาพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี้ก็เชื่อเลยอันนี้ก็สร้างปัญหาความเ้าฉานมากมายไม่ว่าจะในครอบครัวในหมู่คนรักยิ่งในชุมชนซึ่งมีคนเยอะด้วยแล้วนี่ถ้าเราเชื่อง่ายเนี่ย มีเสียงดินทาไม่ว่าดินทาคนนั้นคนนี้หรือดินทาเราถ้าเราเชื่อง่ายเราก็จะถ้าดินทาเราก็โกรธนะแล้วก็เกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแล้วก็ จ, จะโต้กลับทั้งที่ไอ้สิ่งที่ดินทาจริงๆแล้วนี่มัน อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอย่าไปลงเชื่อง่ายๆนะอย่าไปลงเชื่อง่ายๆไม่ว่าเขาจะเป็นเสียงดินทาคนอื่นก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือแม้กทั่งเสียงดินทาเข้าหูข้อหูเราว่าคนนั้นคนนี้พูดถึงเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนนสิ่งที่ต้องมีเนี่ยนอกจากปากหนักแล้วเนี่ยหูต้องหนักด้วย หูหนักอย่าหูเบาผู้คนเนี่ยพาท่าเสียทีไปมากเลยนะเพราะหูเบาหูเบาเชื่อง่ายาต้องนึกถึงหลักกะรัมมาสูตรเอาไว้นะเมื่อกี้เราเพิ่งสวนะกะรัมมาสูตรเนี่ยอย่าปงใจเชื่อนะด้วยการเล่าลืออย่าปงใจเชื่อ เสียงที่พูดสืบๆหรือเล่าต่อกันมาจะต้องมีหูที่หนักอย่าหูเบาการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันเกิดความเล้าชานง่ายมากเลยนะนอกจากปากเบาแล้วก็ยังหูเบา แต่ถึงแม้เราปางหนักแต่ถ้าเราหูเบาเราก็แย่เหมือนกันเราก็จะโกรธหรือเราก็จะเข้าใจคนนั้นคนนี้ผิดพอเข้าใจผิดแล้วมก็ความเล้าฉานก็เกิดขึ้นงาน่าง่ายยังถ้าเกิดว่าเราได้ยินแล้วอย๋ยเพึ่งเชื่ออย่าเพิ่งสรุปด่วนสรุปอย่างน้อยก็รู้จักสับถามว่ามันจริงไหมจริงหรือเปล่าที่เธอพูดว่าฉันแบบนี้ บางที่็า จ, จะไม่ได้พูดเลยก็ได้แต่ว่าในการพูดต่อๆกันเนี่ยมันทำให้เกิดความขิดเทียนยิ่งเป็นเสียงดินทาคนอื่นด้วยเนี่ยเราก็พ่งอย่าพึงเชื่อเดยเพราะคาพูดที่ว่าร้ายคนอื่นเพราะมันอาจจะมันจะเป็นการไม่แฟร์กับคนที่ถูกพาดพิงกล่าวถึง นี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะปากหนักแลว้วหูหนักเด้อยเป็นธรรมะที่คนมักจะมองข้ามแม้กระทั่งในสำนักในวัดนี่นอกจากหูหนักปากหนักแล้วเนี่ยมันต้องมีใจที่หนักนั่นด้วยนะเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันไง่าย บางทีก็เกิดจากความไม่ตั้งใจอย่างเช่นเวลาฉันเนี่ยบางคนก็ฉันเสียงดังบางคนนี่ก็ขี้ลาคาญอยู่ ใ, ใกล้ๆได้ยินเพื่อนฉันเสียงดังวันแรกก็ไม่เท่าไร่วันที่สองก็เอาอีกวันที่สามแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยน้อยในเก้าสิบวันเนี่ยทนไม่ได้สักสี่ห้าวันพอถึงวันที่หกนี่ลำ บ, บากแตก อันนี้แล้ ว, ว่าใจไม่หนักนั่นแล้วบางทีมก็เรื่องไม่ได้ใหญ่ไม่ เ, เรื่องใหญ่โตอะไรนะฉันอาหารเสียงดังหรือบางทีสวดมนต์ไม่เข้ากันวันแรกก็ยังพอไหววันที่สองวันที่สามพอถึงวันที่สิบนี่บางคนนี่ระบาดแตกแล้วที่จริงมันมันเป็นสิ่งที่น่าจะน้อมรับนะฝึกใจให้รู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือว่าฝึกสติให้ให้เรารู้เท่าทันความหมุนหิลรำคาญที่เกิดขึ้นพวกนี้เป็นของดีนะเพราะถ้าเชิงเราราบเรียบราบเรื่องทุกอย่างเลิศเอเพอร์เฟคเนี่ยสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนติดสงบหรือในวัดนะตลอดทั้งมรรานี่ไม่มีอะไรกระทบเลยทุกอย่างถูกออกถูกใจไปหมดแต่พอออกไปอยู่ นอกวัดหรือว่าพอกลับเข้าเมืองหรือว่าพอกลับไปบ้านสื่อารอาเพศไปสติแตกเลยนะเพราะว่าเจอสิ่งกระทบต่างๆมากมายที่มันไม่ได้ประสบที่เราไม่ได้ประสบในวัดวัดที่สงบมันก็หรือชีวิตที่สงบนี่มันก็มีโทษ น, นะเพราะมันทําให้ติดสงบในงาน่ายพอติดสงบแล้วไปเจอความไม่สงบเจอความไม่ถูกใจนี่ ส่วนใหญ่ก็สติแตกกันั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเจอความไม่สงบเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจมาตั้งตั้งแต่หรือที่นี่ถือเอาสิ่งที่ไม่ถูกใจมาเป็นเครื่องฝึกให้เรารักษาใจให้ถูกต้องใครก็ทำอะไรไม่ถูกต้องใครก็ทำอะไรไม่ถูกใจฉันไม่สนใจฉันจะรักษาใจให้ถูกต้องมีสติรู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นรักษาใจใปกติ หรือไม่ก็เออก็อแผ่ไม่ตายเข้าไปมันมีวิธีการฝึกใจได้หลายอย่างที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันแม้จะมีนิสัยใจคอพฤติกรรมแตกต่างกันได้และนั่นคือความหนักแน่นของใจนั่นถ้าเกิดว่าเราปากหนักหูหนักนะแล้วก็ใจหนักแน่นนี่ โอถือว่าเราได้ฝึกวิชาที่สําคัญเลยนะแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์ตอนอย่างเดียวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างราบลื่นราบรื่นนี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีการกระทบกันนะมีแต่ว่าสามารถที่จะรับมือไม่ใด้คิดจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ว่าเปลี่ยนแปลงจากการใจของตัวเองอันนี้ย ที่โบราณก็ว่าอยู่อยู่คนเดียวระวังความที่อยู่ก็ไม่ใช่ใรองวาจาเนี่ย น, นี้ต้องระลึกนึกถึงไว้เสมอเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็ให้มีสติรู้ทันความคิดสามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ถูกความคิดรบ ก, กวนรังควานอยู่คนอื่นก็อยู่ได้ไม่เป็นทุกข์เพราะวาจาของตนหรือวาจาของคนอื่นหรือว่าการที่เจอกระสิ่งที่ไม่ถูกใจ